ตั้งใจฟังธรรมเทศนาเพื่อให้ชลเศรษฐประโยชน์แก่ตัวเองเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นส่วนมากการาภาวนาฟังเทศซึ่งให้ประโยชน์คนอื่นถ้าหากไม่ทําประโยชน์ส่วนตัวนั่นก็ไม่เปประโยชน์เลย ประโยชน์ส่วนตัวเป็นของสำคัญที่สุดคนอื่นมันเห็นหกัหกทําตามแล้ว้าเราทำเป็นประโยชน์แก่ตนแล้วตนเองไม่ทำไม่เป็นประโยชน์แก่ตนแล้วคนอื่นไม่เล่าตัวอย่างที่ไหนตัวอย่างทางดีในข้ามันก็ที่ตัวของเรานนัเอง การฟังเทศคอยคิดอย่างนี้ศาศานี่ครับพุทธศาสนาสอนให้เอาประโยชน์ส่วนตัวไม่คิดเรล่าแต่คนอืนน่นอะไรไม่จริงมหายานไม่องเอาประโยชน์ส่วนตัวคือไปประสงค์ประโยชน์ส่วนคนอื่น เป็นั่นพระโพธิญาณีังค่อยมากควรอิ่มควรเอิบอะไรต่างเป็นพระโพธิญาณนั้นผู้หญิงก็เป็นโพธิญาณความเป็นจริงก็ประโยชน์ส่วนตัวนั่นแหละเป็นพระโพธิสัตว์แส่วนตัวนั่นแหละแต่ว่ามุ่งไปเสื้อประโยชน์คอื่นพระโพธิสัตว์ก็มุ่งความทะลุลุ่นเป็นเรื่องเรียกเป็นพโพธิสัตว์ เขาถือตื้นคือปเปลือกคือพระโพธิสัตว์เอาพระโพธิสัตวาเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้ามีอยู่แต่ไม่ถือสมัยเมื่อพระพุทธเจ้ า, ายังมีพระชนอยู่หรือพระธรรมํารมสัม ง, งพธิจรสยังมีอยู่ก็เหมือนกับตัวพระองค์เจ้ายังอยู่ทําไมยังต้องไปถือพระโพธิสัตว์ การทำประโยชน์ส่วนตัวนี่คือการภาวนาตั้งใจกำหนดพิจจตนาภาวนาส่วนตัวอะไรเป็นตัวอะไรเป็นตนให้เห็นตัวของตนได้ก่อนร่างกายนี่หรือเป็นตัว ร่างกายด้เป็นตนของตัวเลยคนเพียงถือเพียงตืดนตื้นเัลนเพิ น, นก็เลยยิบเพื่อนมาทีา่ะเอามาเป็นตนเป็นตัวแต่ว่าไม่ได้ทำตัวเป็นประโยชน์แกตัวของตนเองถือร่างกายเป็นตัวแล้วก่เลยทนุถนอมวมลุงวอมเลอ ฝนปื้อให้อิ่มนำส้ำหลานในอยู่เย็นเป็นสุขคาว่าอยู่เย็นเป็นสุขเขาอิ่มหนำซ้ำหลานมันอยู่ที่ไหนกันวมันสุขที่ไหนมันไม่มีความสุขหรอกจะทำยังไงยังไงก็ไม่มีความสุขยิ่งกินก็ยิ่งแก่ยิ่งกินก็ยิ่งเท่าทุกวัน โูคภัยไครเจ็บก็มีแทะทุกวันเรานั่งนอนยืนเดินนั่งนอนดิญาบทต่างๆคือเปลี่ยนดิญาบทนั่นเองการเปลี่ยนดิญาบทบหมายความนึงไม่สบายไม่สบายมันจะงเคยเปลี่ยนดิญาบทดิยาบทเป็นเครื่องระงับ เสียซึ่งความกระวนกระวายเรียกว่างับทุกข์ในชั่วคราวอย่าบทนั่งไปหายืนไปอย่าบดเดินไปอานอนไปหปนั่งอะไรต่างๆคือมันไม่สบายะมัันยงค่อยเปลี่ยนดิอยาบดนั่นอะไรยังว่ามันมีสุขที่ไหนอของที่บำรุงบำรลึง ม, ลมันอยู่ หารความสุขไม่ได้อะ <c oughs> ยิงโลกไปจำตัวจต่แล้วอดอดๆเดะๆจะตอลอดไปละนี่อดนี่หรือตัวของเราบอกได้ไว้ฟังกันอย่างชั่วน้อยบอกไม่ได้ห้าไมไม่ให้ฟังไม่ให้เจ็บมันก็เจ็บไม่ให้แก่กแก่ไม่ให้ตายมันก็ตายตายทุกวัน เรานั่งอย่างนี้ก็เรียกว่าตายไปแล้วหลายนาทีเป็นหลายชั่วโมงแล้วคือความแก่หนาดิ่งแต่ตัวของเราไม่ไม่ระ ล, ลึกไป่ได้เลยประมาทอยู่ถ้าลึกขน้นความแก่ตัวเนียเสมอเสมอเหความแก่ตนวเป็นนิด ไม่มีความประมาท ต, ต้องรีบเล่ประกอบความเพียรภาวนาหรือกสร้างคุณงามความดีให้เกินยีโตนันแก่ก็ไปหาตายเลดิพระมาณเสียบมันก็ค้นเข้าป่าตอนค่ำไปหาฟืนหรือหาไม้อะไรก็ตามเถอะเข้าป่าไปตอนค่ำ รีบได้สิ่งได้ของอะไรก็รีบเก็บมาในหลวได้ฟืนอะไรก็รีบเก็บมาใช่พอได้ใช้ได้สอยไม่คชืจอมืดควรจะําอ่านนั่งก่อนยังท่งานก่อนยังว่าทนเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาณไว้ไม่ผมของคนเรานะ ไฟไหม้สีสาต้องรีบดับไม่มีใครจะปล่อยให้มันไหม้ตลอดเวลาหรอกรีบกลับรีบรี บ, รบดับเลยท่านเห็นชีสของตนเปรียบเหมือนกับไฟไหม้ผมขยันบมันเพียนแล้วก็ความเพียรภาวนารักษาขีนเป็นอิด อันนี้การที่ว่าตนน่ะมันไม่ใช่ตัวของเราเขาหากเกิดคือมาแล้วของอา ก, กากเจ็บชราในขั้นสุดสุดดับสลายไปเป็นเรื่องของทั้งขานไม่ใช่ตัวของเราเรามาถือก็ต้งหากน่ามันยืดด้วย ของกูขงกูดังอะแต่แท้จริงไม่ใช่ของกูมาพัดว่าของกูของกูนั่นกิไปยึดเอาตัวว่าโตนนของกูเนี่ยเมืดาษแล้วแตกดาษมันก็ไปเห็นว่าของกูเหรอเมื่อดาแตกไปก็หมดเรื่องหมดพัาะว่าของกูก็หมดซ้ำไม่ทราบว่าไอ้ท่นไหนนี่จะว่บไม่ใช่ของเรา การพิจารณาเห็นที่ไม่เหย่ของเรานะั้นมันเป็นประโยชน์แก่เราจริงค น, นเห็นตัวของเราเช่นนั้นย่อมกระทำตัก เ, เ, เ, นะ เ, เป็นเหตุให้เป็นประโยชน์แก่ตนเป็นประโยชน์แก่คนอื่นต่อไปจึงควรพิจารณาอยู่เป็นนิด คิดค้นอยู่เป็นนิดถึงเรื่องตัวของเราไม่มีใครเห็นเราเราเห็นตัวของเราเองไม่มีใครคิดค้นหรอกมีตัวของเรานี่คิดค้นเองตัวของเราเป็นคนยึดค้นถือตัวของเราก็ต้องเป็นคนละที่อั น, นี้มีแต่ยึดแต่ถือมันมีการละสักทีมันก็แย่เลยวทีเดียวนั้น ถือมันก็นมาใจของเราพยึดไปถือมันก็มาใจของเราายึดเปล่ายึดรวมนึ่งแรงไว้งานน่ะไม่เห็นได้อะไรคือมาเพียงแต่เราอยู่ชั่วคราวอาศัยชั่วคราว แต่ถ้าหากแล้วไม่หล่อเลี้ยงร่างกายนี่มันก็อยู่ไม่ได้ทันที่จะเสื่อมสูญชิบหายไปคือตายเนี่ยนั่นหล่อเลี้ยงไว้แต่อย่าไปหล่อเลี้ยงอย่างเดียวนะี่แหละหล่อเลี้ยงมือนอย่างเดียวแล้วไม่ได้เพลิน เ, เพื่อเพลินมัวเมาทําให้เราลืมตัว นราเลี้ยงเราเห็นคุณค่าของการเพื่อนวันอยู่นั้นที่มันอยู่มันอยู่ได้ชั่ววันหนึ่งวันหนึ่งนะเห็นคุณค่าของมันเห็นประโยชน์ของมันมาทําทประโยชน์ให้แกเราแล้วรีบเร่งค่ะคุณหนาต้นดีนี่ไหมพรมายังเคยพู ด, ดหรือเสมอเลยว่าเลี้ยงมันนะ่ะือวน เลี้ยงมันให้อยู่นะอะไรเรียกว่าให้เลี้ยงมันให้อยู่ชั่วคราวหล่อเลี้ยงให้มันอยู่ชั่วคราวเปรียบเหมือนกับคนเช่าบ้านเช่าเรือถ้าไม่ให้ค่าเช่าเขาก็ไล่หนีคือตายให้ค่าเช่าก็พ ข, ขอยู่ได้เช่าแล้วไม่ใช่อยู่เกล่า ต้องทำประโยชน์ชาวบ้านเชาวเรือเขาไม่จะอยู่เปล่าเพื่ออะไต้องทำมาหากินยังค่อยมีเงินสำหรับที่จะให้ค่าจ้างเขาให้ค่าเช่าเขาดังนั้นอย่างนั้นเนี่ยเขาเป็นประโยชน์แก่ตัวของเรวันหนึ่งวันหนึ่งคิดดู ว่าเราคิดถึงความตายไหมอย่าให้ร่วงเลยเสียบเปล่าไปให้คิดถึงความตายทีอย่างที่ว่าเนี่ยจะเป็นคู่ไม่ประมาทในชื่อว่าเป็นคนไม่ประมาททาคุณงามความดีนั้นให้สืบเนื่องไปโดยลำดับ เทศชนะได้ก็เทศเลงมาสู่ความตายเดี่ยวเขาจะทําอะไรก็ทําไปเถอดลงมาเราลงมาสู่ความตายได้ก็มดเรื่องอะไรถ้ายังไม่เห็นความตายตาราได้แล้วข้อนานต้องเปลี่ยน ถ้าล้มสู่ความตายแล้วเพราะนานล้มเลยตายแล้วมันได้อะไรไปคุณงามความดีที่เราทำนั่นเป็นของติตัวของเราไปสมบัติเขาของทั้งมดกองทิ้งอยู่ในโลกอันนี้ทิ้งอยู่ในโลกอันนี้มันก็ชิบหายไปเหมือนกัน อย่างเขาทําที่ดินไรนาถ้าโทรกล้องฝังมากมายเชบัตรมาฐานที่เขาหามาได้มากมายเราตายแล้วทิ้งไว้นี่แหละมันจะไปไหนคนที่มันรักหมดเราต่อไปหรือคนมันรักทอดต่อเราไปนั้นมันก็จะต้องทิ้งเอาเหมือนกันในคนที่สุดก็ต้องทิ้งหมด ไม่เห็นเลอใกล้นาคาโทที่กว้างขวง้งมันเป็นของใครมันกี่คนมาแล้วแต่คนบลุลนบลมบลุลมันไล่นาอยู่ตามฝ่าตามดงมันเป็นไล่เป็นสวนอยางนล้นะเจ้าของไปไหนหมดมันก็เหมือนกับที่ว่านเองทิง้งวัด คนก็ไม่มีตัวตนที่ทำผู้ทำก็ไม่มีตัวตนวัตถุโบราณสิ่งที่เป็นชิ้นก่อสร้างที่เป็นฐานวัตถุท่าถนมม น, นคนโบ ร, ราณชาวไทยก่อสร้างมันไปไหนว่าจะปกสติเหมืน <c oughs> นอนนครปฐมนครศรีธรรมราช สรางเขาใหญ่โตไปในบทละพวกมนันพวกที่เดือนนี้สร้างเดือนนี้ก็เหมือนกันมันก็ยังเหมือนกับพวกนั้นเนี่ยเือมาเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ใช่ของหลราเป็นของอนัตตาทอดทิ้งอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดแต่พจุดของในโลกนี้ก็ทิ้งเหมือนกัน อย่างาธาตุขนมธาตุนภพอธมมดคนในปวงในโลกมดมีวันหนึ่งซึ่งจะต้องสียหายของวันนั้นต้องสลายเสื่อมสูญเลยว่าที่เรียวไปอะไรกักอะไรกันไม่มีคนเหลือหลอกต้องคนเดียวในโลกนี้พิจารณาเห็นอย่างนี้จิตใจไม่ค่อยลงทําพราะนาสมาีิต้องจิตมันลงถึง ความตายเห็นความตายไม่ค่อยลงจึงค่อยลงไปจึงค่อยลงเป็นสมาธิได้พิจารนณะาลาปาก็คือความตายนริงลมหายใจเขา้าหายใจออกถ้ามันเห็นความตายนั่นแหะหายใจเขา้ามาหายใจออกก็าตายหายใจออกหายใจเข้าก็ตายตายแล้วมดเรื่องอะไรมีอะไร ถ้ามันเห็นสันส่นตรงๆนะทำสมาธิภาวนาไม่ต้องสั่งไม่ต้องไม่ต้องยืดยาวเพราะว่าขวงยืดยาวไม่เป็นสมาธิต้องทําเฉพาะสันส่นเห็นเฉอพาะลมหายใจเขาออกก็เป็นความตายอยู่เฉพาะลมหายใจเขาออกแล้วมันจะค่อยรวมันกว่าเป็นสมาธิได้ เรวมในสมาที่จนเป็นเอกาตาลมมีอารมณ์ันเดียวแน่วแน่จนถึงเอกาตาจิตไม่มีอะไรเสียเลยหมดเรื่องไปทำสมาี่มันต้องรวมว้อย่างนั้นอันค้วงขวัญมาก้วงไปเองหรอมาก้วงอยู่แล้วแต่ไหนแต่ไ้เกิดสมามาค้วงแล้วมันก้วงออกไปเองไม่ต้องคววง ทำยังไงมันจะรว ม, มองเป็นสมาธิได้เขอให้ทำไปเถอะท่านี่ก็พอไม่ต้องทำมากมายเอาละตังวัติตั้งกเทหายิปปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปหาจันโทปะนราโทยะธาปนิโชติระโยาทยะธาสัพพีติโยวัจันตุ สัพโรโคยนาตตุมาเทพระวทั้ตะกายโยทุกขีติพายโกเพระอาธิวาธนาสีริสานิจังอุทาเสจา ย, ย, ยิโนจตารุธรรมาทันติอายุโอนสุขงังหัดหัดตายกันหัด ตายมันจะห น, นี้ชานาญอย่างแค่ที่ตายมาแล้วฮัดตายคือควมสระปล่อยวางจนไม่มีอะไรเหลื อ, อยังเหลือจิตจิตร่างกายมันไม่ใช่ของเรายัางเหลือ จ, จิตจิตก็ไม่ใช่ของเราคิดเข้ปเอาของกรับกรอบวันไหวไสมาได้ สุดสละหมดสละหมดแล้วยังเหลืออะไรอันพูดเหลือพูดที่ยวสุดละที่วมันหมดนั่นอ่ะมันยังมีอยู่อันพูดนั้นมันยังมีอยู่มันยังไม่ท่านหมดคําว่าหมดก็หมดในทีน่นี้คำว่าตายในทีนี้ตายแต่มดทุกสิ่งทุกส่วน ที่ของผานอกปั่นไหวไปมาไม้นี่เรียกว่าตายแลอันที่คล้องภายในคือจิตใจที่วนวุนวี่วนว้วนวยเดือดร้อนกระซักกระซายนะอันนั้นก่อมหมดไปเมือนกันคุณนั่นน่มันยังเหลือไม่นยงนชาค่อยถันคุณนั้นหมดแล้วก็มไม่เกิดอีก ผู้ที่เห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ของมรรคเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสูญเปล่าหมดหายหมดเมื่อของอันนี้เป็นหมดแล้วไม่มีเครื่องยึดไม่มีเครื่องคือผู้นั้นก็ไม่ปรากฏด้วยกันมันผู้ไปรู้ไปเห็นแล้วก็ไม่ปรากฏเหมอกันที่เรดดับหมดทุกสิ่งทุกอย่าง ยังเหลือแตู่ดูู้รูู้รู้นั่นก่นเมื่อมีปภาษาสัมผัสทัือมื่อมีอายตนาภาษาอยู่ก็จำเป็จะต้องยังเหลืออยู่ท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านรู้แล้วท่านไม่ยึดถือต่อเมื่อมีสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีอายตนาภาษาหมดเรื่องไป เมื่อหมดแล้วคณนั้นก็ไม่ปรากฏมันจะเอาแรมาใช้ไม่มีเครื่องใช้ทั้งหมดเรื่อ ง, องท่างีินั่นข้อใหญ่เห็กกว่าในการทำโอเพียนภาวนาเพื่อละเพื่อทิ้งเพื่อถอนเพื่อหัดตัวให้ตายเราตายไปวันหนึ่งวันหนึ่งหัดตายเพื่อมันได้สักหนท้องหนก็นยังดีอยู่ที่จะให รู้ดังที่ว่านั้นต้องตั้งสติกำนดจิตภูนีเดี๋ก่อนถ้ายังไม่เห็นจิตมันก็ไม่รัไม่ทิ้งไม่ทนเมื่อสละกำนดจิตภูนี้หละตั้งสติกำนดตรงค์ภนี้นะเห็นหน้าการของจิตดิ้นโลนก็ดีเสือกสนไปมาหน้าหลังอะไรต่างคุ้มแต่งด้วยประการต่าง เห็นอาการของจิตเห็นอาการอย่างนี้แหละเรียวกว่าเราเห็นโทษทุกข์ของมันเห็นโทษทุกข์ของจิตแล้วก็เบื่อหน่ายเหการเบื่อหน่ายก็ไม่ใช่จะไปทิ้งไหนมันก็เหมือนร่างกายนี่แหละเมื่อหน่ายเห็นโทษทุกข์นี่ก็ไม่ใช่ไปทิ้งไหน ปรจาเป็นต้องรักษากยุพยายามรักษาไปพอได้อาศัยวันหนึ่งวันหนึ่ไค่าจ้างกันไปค่าจ้างวันวันหนึ่งวันหนึ่งมันหม ด, ห ม, ด, ห ม, ดม้วมากน้อยเท่าไหร่นับไม่ถ้วนไม่ว่าคนมีคนจนจําเป็นตหาค่าจ้างมันทั้งหมด าหาการกินอุดมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องปัจจัยชาติทั้งสี่เถอะเรื่องเครื่องจ้างเข้ามานันมันอยู่ได้ถ้ามันอยู่ได้แล้วก็มาพิจานานาเนี่ยทีนั่นสนิ่งที่ค่าจ้างมันที่หมดเปลืองไปง้นั่นเมื่อเข้าปัจจัยอย่างนี้แล้วจร จิตยังเป็นผู้คิดผู้นึกผู้สงผู้ใจกางทั้งหลายนะครั้นี้ยงเหลือจะผู้จิตทิ้งของวันนั้นไม่ใช่ของเราทั้งหมดยังได้ค่าจ้างสดข้างเช้าวบ้านเรือนเนึ่งไม่ได้แหกของเราจ้างเขาอยู่นั่นจิตใจนี่ก็เหมือนกันยังได้อาศัยใช้มันไปชั่วครั้งเช้า พระมีอายตนาภัสสังเมือ่อยานาอัฏฐาดับแล้วไม่มีอะไรเป็นเครื่องจางคู่อยู่ก็เลยมดเรื่องเจ้าว่าดับคุไม่ใช่เจ้าว่าตายก็ไม่ใช่เจ้าว่าไม่ดับคุไม่ใช่เพราะไม่มีเครื่องวัดไม่มีเครื่องรู้ ไมออออวว่มีเครื่องอยู่เอาอยู่ทุกวันนี้เพราะมีเครื่องอยู่อยู่ก็อยู่ได้ให้เห็นตัวจิตนั่นแหละกำหนดได้เห็นตัวจิตนั้นนหละขณเมื่อกาหนดได้เห็นตัวจิ ต, ตว่ตวาจิต้แล้วมันก็อยู่เฉยมันพูดเฉ ย, ยนะมันยังมีอยู่พูดเฉยนะมีอยู่ไม่คิดไม่ลึ แต่มีความรู้สึกอยู่ตางหะเข้ามันจนว่าเข้าถึงเสมอเสมอเข้ามันตายอยทุกวันพิจารณาความตายตอนนี้ให้มาเข้าถึงความตายนั่นแหละความรู้อะไรต่างๆที่มันรู้ออกไปมันรู้ไปตามจิตนั่นแะ่ะจิตที่มาคิดนึกที่มาประสาทนั่นแะ่ะ มากมายล้วงหลายออกไปนะั้นก็เพราะความรู้ น, นั่นแหละที่มันส่งออกไปนะแต่ว่าส่งออกไปดูดุดความรู้จริงของมันพูดดีตอเองพูดขอละเอียดไป ห, หน่อย <c oughs> ถึงไงไงก็ให้พารือพิจารณาต า, เามเป่อะาทีอาจจะพอรู้ได้ เอาจรเขียนนั่งไม่ได้ทำอะนร